แค่ศีลศาสนาอื่นเขาก็มีไม่ต้องพุทธเจ้าตรัสรู้หรอกหรือคิดว่าพอต้องลงมือปฏิบัติธรรมเขาคิดถึงการปฏิบัตททิธรรมทีไรเขาคิดถึงการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าได้นั่งสมาธิเนี่ยเป็นชาวพุทธแท้แล้วย่างไม่เป็นหรอกสมาธิมีมาก่อนพุทธเจ้าสิ่งที่ทําให้าศาสนาพุทธแตกต่างกับคนอื่นโดยสิ้นเชิง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 สติตัวหนึ่งสมาธิตัวหนึ่งสติตัวหนึ่งนะสมาธิอีกตัวหนึ่งถ้ามีสติกับมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญาจะเกิดจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกจิตก็วางจิตวางขี่ก็พ้นทุกข์ไปจิตยังยึดถือยถอยู่จิตนะี่ยังทุกข์อยู่คาว่าสตินะคว่าสมาธิฟังแล้วเหมือนรู้เรื่อง อย่างเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ชนคนล้วบอกว่ามีสติอ่านหนังสือแล้วจำได้บอกว่ามีสติแต่นมันสติอะไรก็ไม่รู้นะสิ่งที่เรียกว่าสติจริงๆมันเป็นสภาวะธรรมอนหนึ่งทาหน้าที่คอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนียสติที่รู้กายรู้ใจนี่เป็นสติชั้นเลิศเรียกว่าสติปัฏฐานนะสติที่รู้กายรู้ใจไม่ใช่สติธรรมดาเรียกเป็นสติปัฏฐานเลย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 หัดรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งให้จิตนิ่งนะทำว่าทำให้ถูกหลักไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งเนะี่ยจ้องเนะี่ยพอสักพักหนึ่งนะจิตมันจะนิ่งอยู่เฉยๆงั้นจะซื้อบือ้อจิตจะเข้าไปสู่ความซื้อบือ้อไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวจริงรอ่ะเอายิ้มอีกทีสังเจนไม่เวลาพวกเรายิ้มเนะี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าเรายิ้มใช่ไม รู้สึกไหมใจของเราก็คลายออกได้ด้วยใครเห็นใจที่คลายตอนที่ยิ้มบ้างรู้สึกไหมเวลากลุ้มใจแล้วถอนใจเพื่อเพื่อเคยไหมสังเกตแม้ตอนถอนใจเพื่อเพื่อกันนะใจมันคลายออกมาเนียมันทุกข์มากๆมันถอนใจเพื่อเพื่างใจมันก็คลายเมื่อการที่เราคอยรู้นะว่าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายอยู่นิ่งเราคอยรู้สึกสุดท้ายจะเข้าไปเห็นถึงจิตใจได้ด้วยอย่างเรายิ้มเนี่ยใจมันก็ยิ้มด้วยนะ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 มีสองอย่างนะแบบทำให้เกิดปัญญาก็ะทำให้เกิดสงบสองอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนี่จะให้มีสติอยากให้มีสตินะก็หัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดนะเนีย่ยจะไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะเดี๋ยวจะได้สมาธิชนิดสงบอย่าไปจ้องอยู่ที่ร่างกายเนี่ยจะเหลียวซ้ายแลวขวานะใจก็คอยจ้องไม่ให้คลาดสายตาจ้องแบบเครียดๆหน่อยเนะี่ยหรือขยับมือนะจ้องอยู่ที่มือเงี้ยจ้อง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 เรากำมือแบมือแล้วเรารู้สึกก็ใช้ได้รู้สึกอะไรก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่นะเนี่ยพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนเนี้ยะเนี่ยเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะแล้วกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยขยับขยั บ, ข ย, บ, ข, ยบขยับไปรู้สึกไปรู้สึกไปบางทีอากาศร้อนนะเอาพัดมาอันหนึ่งนั่งพัดเหมือคนเขาไม่รู้เลยว่าเราทำกรรมาฐานนะไอ้คนนี้มันเสพสุขมันมันนั่งพัดทั้งวันเลย น, ะนั่งพัดไปด้วย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 หันไปเห็นคนนี้อู้เศร้าเลยเนี่ยตระ ก, กูลโทสะทั้งนั้นเลยนะงั้นถ้าเราเป็นพวกโทษะมากนะจิตมีโทสะเต็ไมไปด้วยโทสนะแล้วก็เราอาศัยโทสานี่แหละมาทํากรรมฐานฝึกให้มีสติโดยใช้โทสะเห็น ไ, ไหมไม่ใช่เอาของดีของวิเศษอะไรมาฝึกหรอกนะเอาของที่เรามีจริงๆอย่างร่างกายเนี่ยเรามีจริงๆลมหายใจเนี่ยเรามีจริงๆใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถเนี่ยเรามีจริงๆ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 กระทั่งตัวจิตที่เป็นคนดูเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะสมาี่อย่างนี้แหละเอาไว้เดินวิปัสสนาะส่วนสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธจิตไหม่หนีไปไหนเลยนะจิตสงบอยู่กับพุทโธสบายอยู่กับพุทโธอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผลอะไรนะไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนหรืออย่างหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้นะสึกนะจิตสงบอยู่กับลมหายใจลมค่อยๆตื่นตื่นตื่นขึ้นนเจอทั้ทงลมหยุดพอลมหยุดล ม, มจะกลายเป็นแสง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 ถ้าอึดานเราหายใจออกเลยนะแล้วเอาใหม่ลองดูสักสองสามทนะีหายใจเข้าไปแล้วก็กลั้นลมหายใจไว้แล้วก็จับไปที่ความรู้สึกว่างๆนี่เป็นวิธีทําสมาธิแบบสั้นๆนะแบบขี้โกงนิดหน่อยหลวงพ่อไม่ได้คิดเองเหรอกวิธีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านสอนมาเพราะวเหมาะกับคารวะาเหมือนกันเย่ยงเวลาเราจะเข้าประชุมเนี่ยจะเข้าประชุมนะบางคนเมมเบอร์ในการประชุมนี่ห่วยแตกมากเลย เราจะเข้าไปเราก็หุนหงิดแล้วยังไม่ทันจะเริ่มประชุมก็รำคาญเต็มทีแล้วรำคาญตั้งแต่ท่านประธานลงมาเลยนะเอ๊ะคนนี้นําประชุมทีไรนะอวันนี้ไม่จบหรอกนะประชุมอุยมีข้อถกแถลงมากเลยแต่ไม่มีอย่างเดียวคือข้อยุตินะเนี่ยเคยเจอไหมประชุมแบบเนี้ยนะมีแต่ข้อคิดเห็นนะแต่ไม่มีข้อยุติสรุปไม่ได้อ่าเดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้าคราวหน้ามันก็แบบเดิมอีกอะแล้วมันก็อย่างข้อคิดเห็นอย่างเก่าอีกนะว้นอยู่งั้นอนะ่ะ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 กับการประชุมที่สําคัญสำคัญซึ่งมีประโยชน์นะเอาไว้ใช้กับพวกที่พูดเพ้อเจ้อนะเวลาพวกพวกมีอํานาจมากๆแล้วมันพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเราจะไปเบรกมันก็ไม่ได้นะให้มันพูดไปเราก็พักผ่อนของเราไปตอนเราจะสดชื่นมากเลยประชุมเสร็จนั้นหน้าใสาปิ้งออกมาเลยนะคนอื่นเนี่ยหน้าหยิกหกงองงองน้ำโมโหโธโสโเราสบาย <นะ S 2> ฝึกไวนะฝึกไว้สมาธิอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันสําหรับคารวะ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 จิตที่เป็นกุศลมีความสุขก็จริงนะแต่จิตโลภ ก, ก็สุขได้เมื่อนั้นถ้าจิตโกรธหรือจิตหงุนหงิดเนี่ยอกุศล ท, ทันทีแต่ถ้าจิตมีความสุขความสบายต้องสังเกตดีทีรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่ามีสติอยู่หรือเปล่าขาดสติตัวเดียวอ ก, อ, อกุศลเอาไปกินแล้วเนี่ยค่อยๆสังเกตนะงั้นทํากรรมฐานนะึวันหรือสักสินาทีพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่กี่วันอะ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 รูกับหลงเนี่ยจะกลับข้างกันนะเมื่อไหรรู้เมื่อนั้นไม่หลงเมื่อไรหลงเมื่อนั้นไม่รู้จะกลับข้างกันนะนี่เราค่อยๆฝึกเรื่อยนะจนกระทั่งใจของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเพราะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาทเรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแนละ้จิตที่มีสมาธิถูกต้องนะจะมีลักษณะที่เบานะเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คลานนะถ้าสบายแล้วก็ตาเยิมเนี่ย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 เช่นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเออนี่มันไม่เที่ยงนะโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงเนี่ยหัดดูอย่างนี้หรือมันโกรธมันก็โกรธเองไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธได้เองนี่เห็นอนัตตาวิปัสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเนี่ยต้องต้องนะต้องเห็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาอันแดอัหนึ่งเห็นอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนาตตาก็ได้ของอะไรของรูปนามของกายของใจนี้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 ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนายเอาข้าจริงก็เป็นตัวทุกทุกวันนี้เรายังไม่เห็นจิตเป็นตัวทุกเราเห็นว่าจิตนี้ทุกบ้างสุขบ้างนะเราตื่นต้องเวียนไหวใจเกิดอยู่เพราะเป็นเวียนไหวใจเกิดไปทําอะไรเวียนไหวใจเกิดเพื่อจะหนีทุกเวียนไหวใจเกิดเพื่อจะไปหาความสุขก็แค่นั้นเองนะแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าร่กายนี้คือตัวทุกจิตนี้คือตัวทุกจิตจะไม่มีที่ไปเกิดอีกต่อไปแล้วจิตจะไม่เที่ยวแสวงหาอะไรอีกต่อไปแล้ว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 เอาแล้วพอสมควรแก่เวลานะมีคนจะถามสิบคนอเชิญธรรมสการเจ้าค่าหลวงพ่อยมดีใจมากที่ได้มาเจอหลวงพ่อเป็นครั้งที่สองค่ะเหรอะโอ้ยางดีเจอสองครั้งครั้งแรกเจอที่หลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสุขโตที่หลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อนะหลวงพ่อคำเขียนนะ ตอนยังพูดได้หลวงพ่อไปหาครั้งสุดท้ายนะใช่ค่ะยกคนนี้ไปเจะเหลือคนเดียวแล้วใช่ค่ะผมไม่อยู่แล้วเหลืออาจารย์อยู่คนเดียวแล้วโยมได้เจอหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อคําเขียนเจ้าค่ะออยากให้หลวงพ่อตรวจการบ้านโยมแล้วก็ให้คำถึงทานหรือเปล่าขนาดนี้ถึงบ้างไม่ถึงบ้างค่ะขนาดนี้ถึงค่ะขนาดนี้จิตกระจายกว้างกว้างจิตออกนอก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 ของโยมต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นนะจิตยังไม่ตั้งมั่นได้เจ้าค่ะนะไปฝึกนะค่ะอย่างหลวงพ่อคำเขีย น, นพูดซื่อๆเลยว่าไอ้สิบสี่จังหวานี่มันมาทีหลังน ะ, ะตัวสำคัญคือสติตัางหากเลยเจ้าค่ะนะหลวงพ่อพ อ, อ่ะต่อไปกล่าวนามสการหลวงพ่อค่ะวันนี้อยากจะมั้อ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 หนูหนูปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะถูกนะแต่ว่าลึกๆใจเราฟุ้งซ่านเก่งอ่าค่ะเดินทําต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเออตั้งใจให้มันเข้มแข็งอยู่กับ น, นื้ อ, อตัวนะค่ะใจมันกระจายกระจายไปหน่อยอ๋อค่ะสมาธิไม่ค่อยพอค่ะลองหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวเออพอแลอย่ามากกว่านี้มากกว่านี้จะแน่นค่ะรู้สึกไหมจิตมันอยู่คนละที่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 งั้แค่เราเห็นสภาวะรู้กับหลงหลงกับรู้แค่นี้ละก็พอแล้วล่ะครับเห็นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ะเดิมากจะเห็นในรูปในในในแง่ของอนัตตาครับผมนั่นแหละพวกปัญญากล้านะครับของโยมระวังอันเดียวนะระวังการคิดสรุปนำนะเราจะคิดนําไปครับมีครับบางทีไปเห็นสภาวะแล้วเออมันคิดนําเหมือนกับว่า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 ทีนี้บางทีระหว่างวันที่ว่าเจริญสติในชีวิตประจําวัน บ, บางทีก็ชอบลืมเครื่องอยู่อะค่ะหลวงพ่อแกว่าจะรู้บางทีก็โอ้โหแสดงว่าเครื่องอยู่นั้นยังอ่อนไปต้องออกเครื่องอยู่ที่เข้มข้นกว่านั้นสมมุติว่าพุทโธกับลมหายใจถ้าอ่อนนี่คือพุทโธแล้วนับหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งนะพุทโธนับสองได้ค่ะอีกเรื่องค่ะหลวงพ่อแล้วแบบบางครั้งเราเรา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 แต่ทีนี้ไม่ทราบว่าผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไัดีขึ้นนะไม่ได้จ้าอย่างขับก่อนก่อนแล้วล่ะ แ, แล้วก็คอยรู้สึกนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมตัวนี้ไม่ใช่เราดูเข้าไปถ้าใจฟุ้งซ่านนะก็ดูไปให้ถึงกระดูกเลยเห็นร่างกายนี้เป็นกระดูกเดินได้อย่างนี้ น, นะอย่างนี้ได้สมถะได้เพิ่มพลังของสมาธิแล้วก็ดูไปสบายๆร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ถ้าดูอย่างนี้ได้เรื่อยๆแต่ไปมันก็เห็นนะจิตใจมันก็ทํางานได้เองจะเห็นทั้งกายทั้งใจเวลาที่เราพุทพุดโธแล้วก็พุทโธไปเนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันจิตมันไปแนบอยู่กับคําว่าพุทโธเนี่ยครับแค่รู้ว่าจิตแนบนถ้าเราจริงๆเราไม่ได้พุทโธให้จิตแนบนะบถ้าไปดูที่ครูบาอาจารย์เก่งๆสอนนะอย่างหลวงตา ม, มาหาบัวคุณแม่จันดีอะไรเนี่ย ท่านสอนให้พุทโธแล้วรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธไปจิตสงบพอรู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหนักจิตเบาก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันจิตนะแต่ถ้าพุทโธแล้วจิตแนบจะได้สมถะเฉยๆแต่พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปได้มันก็จะคือการหัดรู้สภาวะนะสติก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดโนตามมหาบัวสอนบอกท่านพุทโธท่านได้ต้นจนจบแสดงว่าพุทโธแล้วเดินปัญญาด้วยพุทโธแล้วก็เห็นจิตนี่แหละทำงานไป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 ช่วงบทพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองนะบางวันเนี่ยใจยังมัวมัวใจมัวมัวเนี่ยไม่ยอมเลยนะจะต้องแจ็บตลอดนะเพราะฉะนั้นพอมัวเนี่ยหาทางแก้บุตลุดเลยอย่างนี้ก็เคยทําสุดท้ายแล้วมันปิงขึ้นมานะ่ะจิตเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้ออืรเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสว่างนะครับนะเพราะฉะนั้นจะมัว จิตมัวกับจิตสว่างเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับถ้าเข้าใจจิตมันเข้าใจตัวนี้นะมันจะเลิกมัวครับเพราะอะไรเพราะมัวมาหลอกเราไม่ได้แล้วไม่ใช่เอาตัวอื่นมาหลอกต่อขอบพระคุณหลวงพ่อครับดีใช้ได้นะนการลมัศกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะขอญาตสองกันบ้านนะคะชานาใช้ได้นะนี่บอกไปก่อนเดี๋ยวจะได้หายเครียดอ่ะว่ามาค่ะตื่นเต้นครับเออ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 ครับนมรสการเจ้าค่ะเนี่ยเป็นการกดดันพวกที่เหลืออยู่นะส่งการบ้านมาหลายครั้งแล้วเจ้าคายกไม้ให้ได้ยินหน่อยส่งการบ้านมาหลายครั้งหลายครั้งหลังสุดเมื่อเดือนตุลาอหลวงพ่อบอกว่าตั้งใจมากไปดีขึ้นแล้วละ่ะถ้าตั้งใจมากมันเครียดน ะ, ะใจมันจะอึดอัดรู้เล่นเล่นเราไม่ได้พาวนาเอาอะไรไม่ได้พาวนาเพื่อเอานะแต่พาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เอาอะไรเลย ไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีเอาวิเศษเอามรักเอาผลเลยไม่ได้เอาทุกอย่าง <c oughs> ถ้าเราฝึกแค่ว่าเราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> ถ้าวางใจได้อย่างนี้มันไปได้เร็วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมันสบายใช่ <c oughs> ถูก <c oughs> มันสบายเองนะ <c oughs> เรา <c oughs> ไม่ได้เอาสบายเจ <c oughs> ต้องระวังไม่ระ<า>วัง <c oughs>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 ตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ว่องไวมากขึ้นดีทำถูกแล้วล่ะอนนันมัตสการ์ครับอืไปบัตรมาได้สองเดือนแล้วครับอสองเดือนทำได้อย่างนี้ก็เก่งนะถือสี่ห้าได้ดีไหมส่วนใหญ่ข้อสี่ครับข้อสี่ถือยากนะรเราไม่เห็นโทษอะอย่างข้อหนึ่งเนะี่ยไปชกเขาเนะี่ยเราเห็นโทษนะเดี๋ยวตํารวจจั บ, บไปขโมยเขาเขาเห็นโทษนะ เดืดโดนจับไปเป็นชู้เขาก็เห็นโทษพูดคลอกๆเล่นแต่ไม่เห็นโทษเอี่มันก็เลยถือยากหน่อยแต่ถ้าไปเราฝึกนะเราค่อยๆดูจิตใจของเราเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเวลาเราพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจิตฟุ้งสัง้นั บ, นะบมันจะจิตฟุ้งสั้นแล้วต่อไปเราจะไม่อยากพูดเพ้อเจ้อเราจะพูดเท่าที่จําเป็นเราพูดแล้วจิตเสียบางครั้งก็ เหมือนรู้สึกว่ากายกับใจมันแยกได้บ้างครับแยกได้แล้วถูกแล้วแต่บางครั้งก็หายไปสองสามวันเลยรธรรมดาครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะนักปฏิบัติการปฏิบัติอ่ะเจริญแล้วก็เสื่อมไม่ได้จเจริญลูกเดียวนะท่านสอนถึงขนาดบกางวันนะเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาบางวันภาวนาไม่เป็นใ่ไครับใช่สิ <laughs> ต้องเป็นอย่างนี้แหละการการปฏิบัติจะ สำเร็จเร็วหรือช้านี่อยู่ที่บุญกบฏบ ท, ที่ทํามาด้วยหอ่าอยู่ที่าบารมีเราสร้างมาแค่ไหนนะศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเราสะสมมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้เร็วส่วนจะปฏิบัติง่ายปฏิบัติยากลําบากไม่ลําบากนะอยู่ที่ความแรงของกิเลสถ้ากิเลสแรงก็ปฏิบัติยากกิเลสแรงครับกิเลสแรงก็เป็นทุกข์หาปฏิปทานะคือถ้ากิเลสแรงนะ ก, ก็ปฏิบัติลําบากเช่นต้องทรมานตัวเองเยอะ มันตะกร้ตะกรามอะไรเงี้ยต้องอดซะบ้างใช่มชมันอดกินอดนอนอะไรเงี้ยมันจะได้หายซ่า เ, เวลาเทสกิเลตแรงนะคูบาอาจารย์ก็จะฝึกทรมานมันท่านบอกฝึกเหมือนฝึกมา้าม้าพยศมากนะดิน้นรนมากนะให้มันอดข้าวอดน้ำเดี๋ยวมันไม่มีแรงก็ว่าง่ายขึ้นแต่บางคนเนี่ยมันเป็นม้าดีม้าเชื่อง พวกนี้ให้กินให้อิ่มนอนให้หลับนะถึงเวลาพาไปวิ่งก็วิ่ ง, งอ้าวเลยนั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็เป็นสุขขาปฏิปทาบางคนก็ทุกขาปฏิปทาแล้วบางคนก็ได้ผลเร็วบางคนได้ผลช้า บ, บางคนนะกิเลสก็แรงนะปัญญาก็แรงเนะียแรงสองข้างนะพวกนี้ก็เป็นทุกขาปฏิปทาแต่บรรลุเร็วเอันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีจุดอ่อน ค, คือฟุ้งซ่านไปนิดนึงนะครับิดธรรมะเยอะไป ฟุงฟุงมากไป <c oughs> ครับผมครับเออครับขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายทานตามผมครับข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวายเครือออ่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมทโช และพระภิกษุทั้งหลายขอพระอาจารย์ประโมทและพระภิกษุทั้งหลายได้ปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลและนานเทินอย่าถาวารีวหาปุราปริปูเรนตีสาครัง เอวเมวาอิโตทิน so ังเปตานางรูปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ